เธอเอ่ยชื่อเนติวิทย์นะหลายคนนะคงรู้จักเพราะว่าชื่อนี้นี่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายคนก็มองว่าเขาเป็นคนหัวรุนแรงเบาหน่อยก็มองว่าเขาเป็นคนขวางโลกเพราะว่าเขาตอบวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่แค่รัฐบาลอย่างเดียวนะแต่วิพากษ์วิจารณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ผู้คนจำนวนมากนี่ถือปฏิบัติกันมายาวนานแล้วก็ยังแสดงความเห็นที่ต่อต้านความคิดแบบอนุรักษ์นิยมอยู่บ่อยครั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเนติวิทย์ก็สร้างความฮือฮาเพราะว่าไปบวชที่วัดยานเวสกวัน ไม่ได้บวชแค่อาทิตย์สองาทิตย์นะบวชเข้าพรรษาแล้วก็ยาวต่อเนื่องมานะจนเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ4ห้าวันก่อนเขาก็เขียนบทความนะลงเฟ e บุ๊กแล้วก็เผยแพร่กันไปกว้างขวางพูดถึงความรู้สึก แล้วก็ประสบการณ์ช่วงที่บวชเป็นพระนะอยู่ที่วัดยานเขาเริ่มต้นด้วยข้อความทำนองว่าเนี่ยตอนที่เขาเป็นนักเรียนเวลาปรากฏตัวหรือเป็นข่าวในสื่อต่างๆเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็สร้าง ความไม่พอใจให้กับคนอ่านผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยจะเรียกมาเรียกมาตักเตือนนะต่อว่าแล้วก็หนักเข้าก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้ไม่อยากให้แต่งชุดนักเรียนเพราะว่าไปสร้างความเสื่อมสีให้กับโรงเรียนผู้ง่ายคือว่านะ ออกจากโรงเรียนได้ ก, ก็ยิ่งดีเลยเพราะว่าเวลาเป็นข่าวนี่ทั้งสื่อมวลชนเขาก็วิจารณ์ผู้บริหารโรงเรียนไม่ใช่แค่วิจารณ์ตัวในติววิทย์แต่ก็บอกว่าในี่ยพรมมาบวชที่วัดยาเ น, นี่ยไม่เคยมีสักครั้งเลยนะที่ผู้ปกครองคณะสงฆ์เนี่ยหรือเจ้าวาดรองเจ้าวานี่จะเรียกเขาไปตักเตือน ไปแนะนำสั่งสอนหรือว่าไปขอร้องว่าเนี่อย่าบวชพระต่อไปเลยศึกไปดีกว่าเดี๋ยวจะเสื่อมเสียชื่อเสียงของทางวัด น, นี่ในติวิตบอกไม่เคยมีเลยมีคราวหนึ่งนะมีเพื่อนมาเยี่ยมนะเพื่อนก็เป็นคนหนุ่มสาววัยเดียวกับเขาแหละแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ปรากฏว่ากลายเป็นข่าว นะในสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะและก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในข่าวนั้นก็ผู้ประกาศก็วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่แค่เนติเวตยอย่างเดียวหรือเพื่อนอย่างเดียวตำหนิวัดด้วยปรากฏว่าหลจากนั้นเนี่ยเนติเวศก็ถูกเรียกไปไปพบผู้ใหญ่ในวัด ผู้ใหญ่ในวัดนั่นก็เอาคลิปข่าวที่วิจารณ์เนติวิทย์กับเพื่อนแล้วก็ทางวัดนะมาให้เนติวิทย์ดูต้องเรียกพระเนติวิทย์นตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อะไรกลับเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สื่อมวลชนจะวิพากษ์วิจารณ์ได้อันนี้ก็คงเป็นเพราะว่าทาง ผู้ใหญ่ในวันนี้เข้าใจนะคนหนุ่มสาวนี่ไม่ค่อยรู้ทำเนียมการมาวัดแต่งตัวก็ก็เลยแต่งตัวไม่ได้เข้าสายตาไม่ได้เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่ได้มีการต่อว่าพราะเนติวิทย์แต่อย่างใดเลยก็เป็นเรื่องที่ประหลาดใจมากพอนึกว่าเนี่ยคงจะโดนอีกแล้วเหมือนกับที่ เคยเจอสมัยเป็นนักเรียนตอนหลังเนี่ยพอถึงเดือนเม ษ, ษาเนี่ยมันเป็นช่วงเกณฑ์าหารพระเนติวิทนี้ก็ประกาศตั้งแต่ก่อนบวชแล้วว่าจะคัดค้านนะการเกณฑ์าหารตัวเองเนี่ยก็จะไม่ไปเกณฑ์าหารนะถึงแม้จะมีหมายเรียกก็ไม่ไปแล้วก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะศึกนะเพื่อไปสู้เรื่องนี้เพื่อไม่เสียชื่อวัดนะ แต่ปรากว่าติดสอบนะติดสอบนะักติดสอบบาลีประโยคหนึ่งประโยค2สอบเสร็จแล้วปรากว่าสอบตกบางวิชาก็เลยตั้งใจว่าจะสอบซ่อมซึ่งก็ทำให้ศึกไม่ได้คราวนี้เนี่ยก็ไปก็ไปแจ้งให้ทางผู้ใหญ่ในวัดทราบนะว่ามีความตั้งใจที่จะบวชพระต่อจนกว่าจะสอบซ่อมเสร็จแล้วค่อยศึกไป ไปสู้เรื่องเกณฑ์าหารเพราะว่าทางผู้ใหญ่ในวันนี้ก็ไม่ได้เรียกร้องคาดคันให้สึกนะกลับบอกให้อยู่ต่อดีแล้วนะอยู่ต่อเพื่อจะสอบบาลีให้เรียบร้อยแล้วก็ยิ่งอันนั้นก็ถึงกับบอกว่าเนี่ยไม่อยากจะให้สุดนะให้บวชไปเรื่อยๆเพื่อได้ฝึกฝนตนเนะพราะเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาตนขึ้นมา ในติวิตบอกว่าเนี่ยผิดคาดนะเพราะคิดว่าทางวัดนี่จะกลับสาไล่สงให้ศึกไปไวๆนะเพราะว่ากลัวเสียชื่อวัดนะแต่ไม่มีแบบนี้เลยก็เลยประทับใจมากนะแล้วก็ตอนนี้ก็ศึกมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้ทำหลายอย่างที่ถึงต้องการที่จะทารวมทั้งการสู้เรื่องเกยฑ์ทหารด้วยอันนี้เนี่ยก็ ในที่เขาตอบเขาก็บอกว่าเขาประทับใจมากเลยนะไม่คิดว่าจะเจอสังคมอนุรักษ์นิยมที่ดีผู้ยันคือว่าไม่คิดว่าสังคมอนุรักษ์นิยมที่ดีเนี่ยมันมีจริงนะแต่ว่าไปพบของจริงที่วัดยานเวสะกาวันประทับใจมากแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจที่ได้รับการอบอุ้มนะได้รับความใส่ใจได้รับกำลังใจนะไม่ลังเกียจไม่ผักใส เขาสูตว่ามันเป็นความรู้สึกที่อยากที่จะลืมเลือนได้อันนี้เขาเขียนนะที่ยังเขียนได้ยาวกว่านี้นะอันนี้ก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าต้องอยกความดีความชอบหรืออนุมโมทนานะแสดงความชื่นชมกับทางวัดยายเวส ก, กวันนะเพราะว่าคณะสงฆ์นี่แสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความใจกว้าง คือถ้า ม, มีเมตตานี่แล้วก็ไม่มีความใจกว้างก็คงจะกีดกันผักใสในติวิตให้มาบวชตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ามีความเมตตาต้อนรับแต่ที่ต้อนรับได้เพราะไม่มองเห็นว่าเขาเป็นคนเลวร้ายแม้จะเห็นต่างแม้จะมีความคิดต่างแต่ว่าก็ไม่ได้มองว่าเป็นคนที่ชั่วร้าย อยากจะมาบวชก็มาบวชได้เลยนะขอเพียงแต่ว่าให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยแล้วกดระเบียบของวัดและทำอย่างนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องมีความหนักแน่นไม่หวั่นไหวนะต่อเสียงวิพาวิจารณ์เพราะว่าตอนที่วัดญาณเนี่ยรับพระเนติวิทย์มาบวชนี่โอ้มีเสียงวิพาวิจารณ์มากและไม่ใช่จากใครนะก็จากชาวพุทธจํานวนไม่น้อยรวมทั้งญาติโยมที่อยู่ ใ, ใกล้เชกวัดญาน ฟังมาว่ามีญาติโยม บ, บางคนบอกว่าเนี่ยตราบได้ที่แกนนำสามกีบคนนี้เนี่ยยังอยู่วัดนี้จะไม่เหยียบวัดเลยนะจนกว่าเขาจะศึกหาราเพศไปก็คงมีคนคิดแบบนี้เยอะแล้วก็พูดให้ทางผู้ใหญ่ในวัดทราบนะแต่ทางคณะสงฆ์วัดใหญก็ไม่หวั่นไหวที่จริงความเห็นของโยมคนนั้นเนี่ยน่าจะมองอีกมุมหนึ่งนะว่าเออ คนแบบนีนติวิตเนี่ยมาบวชพระนี่เป็นเรื่องดีนะเพราะเขาจะได้มีโอกาสมาเรียนรู้พระธรรมคำสอนนะได้มาเรียนรู้นะสิ่งที่ดีงามได้เข้ามาใกล้ชิดาศาสนาน่าจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีน่าจะส่งเสริมให้มีคนแบบนี้มาอยู่วัดมาเรียนรู้นะจะมาเรียนรู้พระธรรมคาสอนเนี่ยจากการบวชพระน่าจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ กลับมองว่าเนี่ยวัดยาณทาแบบนี้ทาได้ยังไงไปรับคนแบบนี้มาได้ยังไงคือตัวเองเกียรตินะบุคคลอย่างเนติเวแเราก็คาดหวังให้พระนี่เกียรติด้วยหรือว่ากิจกันผักสายไล่ส่งแต่ว่าก็ดีนะที่ทางพระในวัดไม่ใช่พระผู้ใหญ่นะแต่ว่าคณะส่งนี่มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวโยมจะวิพาควิจารย์ยังไงก็เป็นเรื่องของโยมไป เราก็ทำหน้าที่ของเราเพราะว่าหน้าที่ของพระเนี่ยคือแล้วคือเปิดกว้างให้คนได้มาเรียนรู้ธรรมะจะเป็นใครก็ตามถ้าว่าเขาตั้งใจจะมาศึกษาธรรมก็แล้วก็ปฏิบัติตามประธรรมวินัยก็เปิดรับทุกคนไม่เลกว่าเป็นใครก็ตามแม้แต่คนติดยาคนที่เคยเป็นอา จ, จากรอยากจะมาเปิดพระทางวัดไม่ว่าวันไหนก็ต้องรับหรือควรจะรับนะ อันนี้ก็ไม่ต่างจากหมอนะหมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโจรผู้ร้ายไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าจะเป็นอริราชศัตรูถ้าบาดเจ็บนะหมอก็ต้องรักษาไม่มีการเลือกว่าเป็นใครจะเป็นคนค้ายาจะเป็นนักการเมืองคอร์รัปชันจะเป็นผู้ร้ายฆาตกรฆ่าคมขืนถ้าบาดเจ็บมานะหมอก็ต้องรักษาพยาบาลก็เลยอันนี้เป็นจัญญาแพทย์ พระก็มีจัญญาพระนะก็คือว่าจะเป็นใครก็ตามนีถ้าหากว่าหนีร้อนมาพึ่งเยก็ตามหรือว่ามาเรียนรู้ตั้งใจมาเรียนรู้ธรรมะก็พร้อมจะรับไม่มีการรังเกยียจผักใสอันนี้แสดงถึงความเมตตานะและความใจกว้างนะซึ่งก็เป็นธรรมเนียมที่สื้มาที่จริงถ้าหากว่าพระเรารังเกยียจคนที่เป็นฆาตรกรนี่เราก็คงไม่มีพระอาหารหันต์ที่ชื่อองคุลิมานนะ องคุลิมานี่ฆ่าคนมาเยอะมากนะแต่ผู้เจ้าก็ต้อนรับนะแล้วก็สามารถที่จะสอนจนกระทั่งพระองค์กลิมานได้เป็นพระรหัสนั่นผ้าเราก็เหมือนกันนะที่จริงไม่ใช่พรางเดียวกวรจะเป็นชาวพุทธเดีย ว, วรจะมีความเมตตากรุณาในความเป็นชาวพุทธมันไม่อยู่ที่ว่าเข้าวัดบ่อยแค่ไหนหรือว่าทําบุญใส่บาตรมากแค่ไหน หรือว่าถือศีลหครบหรือเปล่า น, นั่นก็สําคัญแต่สําคัญไม่น้อยคือความเมตตาเมตตาต่อคนที่คิดต่างนะหรือว่าใจกว้างต่อคนที่คิดต่างแม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เรานับถือแต่ก็ไม่ได้ตัดสินว่าเขาเป็นคนเลวนะเขาอยากจะมาศึกษาธรรมะก็เปิดรับใจกว้างให้ความเมตตามาไม่แปลว่าตามใจหรือว่า อ, อ่อนๆผ่อนตามนะ เมตตาแต่ว่ารักษาหลักการเอาไว้อยากจะมาเรียนศึกษาธรรมะ ก, ก็เปิดรับหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ยินดีแต่ว่าก็ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ห, หรือว่าตามระเบียบอันนี้คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะมีนะไม่ใช่เฉพาะพระเดี๋ยวนี้เราพอใครที่คิดต่างเห็นต่างก็มีความรังเกียจเดียดฉันมองเป็นศัตรูมองเป็นคนร้ายแต่ไม่ได้ความโกรธความเกลียด แทนที่จะมีความเข้าอกเข้าใจหรือหมอก็ยังเป็นมนุษย์ที่ต่างจากเราแต่เขาก็เป็นมนุษย์ที่ควรได้รับความเมตตากรุณาจากเราอันิี้วัฏญาเนี่ท่านได้เป็นแบบอย่างที่ทําให้คนอย่างนิติวิทนี่เกิดความซาบซึ้งประทับใจนะเรียกว่าชนะชนะใจด้วยธรรมะชนะใจด้วยเมตตาชนะใจด้วยความดีซึ่งตรงกับที่พระเจ้าสอนเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความโกรธด้วยความเมตโกรธเอาชนะความตนิชได้วยการให้ ไม่ใช่อชนะด้วยการผักสายไล่ส่งนะหรือว่าใช้อำนาจบีบบังคับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะมีนะในแวดวงหรือว่าสังคมมนทนหรือว่าพุทธมนทน